<c oughs> ฟังธรรมกันยางหูฟังดีๆมีผู้บอกศาสตร์ออกศิลนีน่ประโยชน์ใ้ใจเราก็ได้ในความรู้มี วิชามาเพราะมีผู้บอกศาสตร์ออกศินตั้งแต่นานมาแล้วเกือบจะทั้งหมดของชีวิตใม้จะเป็นการอาชีพการงานก็มีผู้บอกศาสตร์อกถิลทาอย่างไรแล้วก็มีอาชีพมีข้าวกินมีเชื่อผ้านุ่งห่มอาหาร ไม่อยารักสัมละโลกในโลกนี้มันมีความเป็นธรรมที่สุดถ้าเราหลงเราก็ต้องโกรธต้องทุกข์แน่นอนเป็นธรรมแล้วที่เราทุกข์เจ็บไข้หรือป่วยมันเป็นธรรมที่สุดเพราะเราใช้ชีวิตผิดพลาด เคยลองให้เคยเสียใจเพราะถูกต้องแล้วเพราะเราไม่รู้ไม่เข้าใจถ้าเราศึกษาเรื่องใดมาจ้องลูกเรื่องนั้นหรือควรแต่ถามท่านผู้ลูกลูกไม้ต้นไม้บางต้นก็มีความเป็นธรรมบางต้นต้นใหญ่ๆลูกเล็กๆ เป็นธรรมแล้วบางต้นต้นเล็กๆลูกโตๆก็เถือเป็นธรรมแล้วเช่นฝักแฟงแงตงกวาเป็นเถ้เป็นเกือเล็กๆแต่ลูกโตก็เป็นธรรมแล้วนี่รสขมรสหวานต่างกันก็เป็นธรรมแล้วแต่เราจะใช้ ดดูก็มีความเป็นธรรมตอนนี้ก็เป็นครึ่งหนึ่งครึ่งเดือนจีบแล้วมันผ่านไปแต่ละการเวลาผ่านไปเป็นธรรมแล้วดูดูผลก็หมดแลดโรุ่หนาวเขามาเป็นความเป็นธรรมชีวิตเราก็จะได้ชำนาญช่อง คล่องแค่วในเรื่องการใช้ชีวิตในการทำมาหากินก็เป็นธรรมถ้าดูผลแล้วก็จะทำออะไรถ้าเราดูผลเราดูจกใช้ชีวิตเป็นทำอยู่ทำกิน เดินต้นเดินพฤกภามาก็เป็นตดูฝนมีอะไรที่จะปลูกต้องฝังปลูกลงไปเดินจีดเดินแปดมีฝนเดินจีดก็มีฝนเดือนแปดมัดแกล้งเดินเก้าเดิดนฉีดในฝนซุ ก, ก, 9, 10, กเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่โบราณตั้งแต่ไหนช่วงฤดู เจ็แปดเนี่ยเป็นฤ ด, ดูที่ปลูกฝังถ้าทํานาก็ทํานาเสร็จแล้วก็เราไว้เดือนเก้าเดือนสิบผลชุกทําไม่ได้ก็ามาพักผ่อนทำมาหากินทำวันอื่นฤ ด, ดูแต่ฤดูแบ่งให้เราทาํางานได้ตามฤดูกันมีประโยชน์ แต่คนที่เฉื่อยชาเชื่อช า, อชาก็ทําอะไรไม่ได้ถ้าเราทําได้ต้นไม้ที่เราปลูกต้นพริกต้นเขือที่เราปลูกต้นข้าวที่เราปลูกฝักแตงแทงกัวที่เราปลูกต้นหม็นตนอ้อยที่เราปลูกมันก็งามเงินชาไล่ปลูกมัน ตัแต่เดือนพฤกษภามิถุนาประมาณออกเกียเดือนก็เก็บเกี่ยวได้ถ้าคนปลูกหลาไปล่าไปก็เก็บไม่ได้ไม่ทันฝนฝนหมดหม้อหมังก็ยังไม่โตกฝนหมดไปแล้วทานไปแล้วเอาคืนไม่ได้แหวามก็หมดไปแล้วทําอะไรไม่ได้ เรามีสติตั้งแต่เดือนก่อนอ เ, เดี๋ยวนี้เราก็งามแล้วถ้าเราไม่เคยมีสติเดี๋ยวนี้ก็ไม่งามเลยยังไม่มีให้หลงเป็นหลงให้ทุกข์เป็นทุกข์มันก็ยังมีอยู่ถ้าหลงเป็นหลงจะมีตลอดชีวิตเป็นปัญหาด้วย ถ้าทุกเป็นทุกก็จะมีไปหมายพบหลายชาติน้าหลงเป็นรู้มันจะหมดไปได้บางคนก็รู้บางคนก็ไม่รู้เรื่องเดียวเรื่องเดียวบางคนก็ฉกบางคนก็ทุกข์แต่บางคนไม่ฉกไม่ทุกข์แล้วเรื่องใหญ่คือเกิดเจ็บเจบตายเมือนก็ทุกข์ แต่บางคนไว้ทุกข์แล้วต้อผ่านแล้วทำแล้วแล้วเสร็จแล้วไม่แต่การท่องจำจำนห้จำนานศาสตร์ต่างๆจำได้แล้ ว, ลวไม่ต้องเรียนอี ก, อกเป็นสูตรอะไรคันธาทุละทละี่ปัจจาทุล ะ, ละในในทุละของเรา ขัน ธ, ธ์ทุลัศึกษาคำสอนที่ปัสจณาทุลัเอามาทำรูแล้วมาสอนตัวเองทําได้แล้วตามความรู้ได้ประโยชน์ยินไหนปิดก็ถือว่าเป็นโทษเห็นแล้วยินเล่าเป็นโทษสุบุรีเป็นโทษโกรธเป็นโทษทุกข์เป็นโทษหยุดแล้วไม่ทุกข์แล้วไม่โกรธแล้วไม่ห ล, ลงแล้ว นี่มันเป็นไปได้ชีวิตเรามืจองชได้ว่าสัตว์ประเสริฐศาสตร์ศิลทั้งหลายพวดเจ้าสอนไ้หมดเรื่องชีวิตจะเป็นเกี่ยวข้องกับเพศใดภาวะใดหน้าที่การงานแบบไหนหน้าที่ความเป็นพ่อเป็นแม่สอนไว้หมดหน้าที่ความเป็นลูกสอนไว้หมดหน้าที่ความเป็นสามีภรรยาสอนไ้หมด หน้าที่ของเป็นเพื่อนสอนไม่หมดหน้าที่ของความเป็นลูกศิษย์สอนหมดหน้าที่ของความเป็นครูอาจารย์สอนไม่หมดบอกหมดถ้าเราทำตามความสอนจะอยู่กันด้วยความสงบปลองเย็นถ้าเราไม่ใส่ใจไม่ทามาทำก็ไม่มีประโยชน์ ตทั้งชาติตายไปเปล่าๆไม่ได้มีร่องรอยความดีให้มีล่าความดีเกิดขึ้นในชีวิตเราบ้างล่าของความดีไม่อะไรพอ <c oughs> ที่เป็นประโยชน์ต่อโลกทำอะไรลอยอะไรในแผ่นดินนี้ไม่อะไร บอกอผิดต่อคนไหมบอกอะไรถูกต่อผู้คนไหมบอกตัวเองไหมตัวเองทำได้ไหมเนี่ยต้องใส่ใจพอสมควรได้ประโยชน์จริงๆชีวิตเรล่านีเป็นสัตว์ประเสริฐทำดีได้แล้วความชั่วได้ถึงที่สุดดีที่สุด เ้าจึงไม่ควรประมาทแน่เรจาจกษาขันัดทุละวเวลานี่ก็มีประโยชน์อาจจะเป็นประโยชน์ต่ออีกในวันข้างหน้าหรือในวันนี้อย่างน้อยเป็นประโยชน์ต่อลองก็มี อะไรที่หวังพึ่งเราอยู่ในโลกนี้เป็นดินแม่น้ำอากาศผ่าไม้จัดสาลาสิ่งต่อผู้คนต้องหลอยแัน<ป>นี่ก็ อ, อาจารย์ตุ้มจะโนดไปไปาจีนวานอาจารย์วัสารไปกรุงเทพไปบอกศาสตร์บอกสินต่อผู้คน มีคนต้องการให้ไปบอกไปสอนไปขี้แจงเราวางอย่างเขาสอนกันไม่ได้ให้เราคนอื่นไปสอนยังมีอีกมากในโลกนี้คนหลงก็มีมากคนทุกข์ก็มีมากอย่างน้อยก็มีพ่อแม่พี่น้องลูกหลาน พวกเราเ้ของพระพุทธเจ้าทำหน้าที่เรื่องนี้ยาตะตะิยาประโยชน์ต่อญาติโตตถะจิยาประโยชน์ต่อโลกพุทธตะจียาประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาอย่างที่เราสาธยายจึงใดกิตอันใดที่เราตตาคตผู้เห็นหนูได้ทำกับพวกเธอแล้ว ได้บอกแล้วท่าออยู่เสมอสี่ห้าปีตัวก่อนพิกษุ ต, ต้องหลอยดูก่อนพิกูุต้องหลอยวันหนึ่งห้าครั้งพุทธกิจของพระ อ, องค์มีชีวิตอยู่พระทรงจึงมีชีวิตอยู่สี่้าปีทำอะไรมีใครทำได้ขนาดนั้นหรือ ประเทศอินเดียพ่วงใหญ่ไพศาลนันนแต่ก่อนเดี๋ยวนี้แบ่งออกเป็นสี่ประเทศทั่วถึงหมดอินเดียเนปรันบางคาเท่ปัจิสถานอินเดียเนปรันบางคาเาช่ปัจิสี่ประเทศพ่วงใหญ่พไพศาลมีร่องรอยพระพุทธเจ้าไปทั่วทุกแค่ นะนี่ใครในะมนุษย์คนไหนในโลกเนี่ยผู้เป็นศาสตราพื้อนดูศาสตราของพวกเราเนะ่อะไรที่ไม่มีการบกฟ้องไมไม่มีเลยน่าจะสนเก่น่าจะจดทาน่าจะเชื่อฟัองแล้วก็ได้ประโยชน์จริงจริง ถ้าไม่ทมถามก็เป็นโทษจริงๆึุขสนเกิดโลกเกิดภัยจริงๆถ้าไม่สุขสนก็ไม่มีโลกอะมาก็เป็นทมที่สุดไม่ต้องเรียกล่องหาความเป็นธรรมที่ใดสร้างความันธรรมไม่เกิดขึ้นแก่เราคน ถ้าเราไม่ความเป็นธรรมต่อเราแล้วคนอื่นก็ได้แล้วความเป็นธรรมต่อเราไม่ต้องเรียกร้องมันจะเกิดขึ้นเองไม่เบียดเบียนตันเองไม่เบียเบีย น, นคนอื่นสิงอื่นวัตถุอื่นอย่างนี้นวัน <c oughs> นี้ก็เป็นวันที่ตามรอยลวงพ่เทียน จัดขึ้นที่วัดต่างๆแล้วก็ในวนให้หลวงตาไปวัดโม่ขอนแก่นในวันที่สิบสามกันยาเป็นวันมอนาภาของหลวงพ่อเทียนก็จัดงานตั้งแต่วันนี้ตามรอยหลวงพ่อเทียนเห็นบ่ไปนะหนาวเราก็ยี่สิบกว่าปีมาแล้ว ทุกทีหลวงพ่อเทียนยัง <c oughs> ยังใส่ใจอยู่รวมทั้งเราด้วยเอาจะไปรวมกันที่วัดมูกอกให้หลงตาไปนำพาแล้วก็หมดโอกาสไปเรื่อยๆเมื่อวานก็ไปสามจังหวัดหาสารคามขอเนเขีนแต่มามืดพอดีเ <c oughs> มื่อยป้ กาอ่าก็อ่าก็จะมีประโยชน์เนา้าไปก้าจิ้มห้าว้าบ้านก้านุ่งผ้าก้าอยู่ก็ไม่ได้หลอกใครแต่บอกความจริงความเท็จต่อผู้คน เอเนี่วันเราก็ติดอันดับเห็นจารย์ต้มเล่าบอกว่าติดอันดับนะใครตั้งอันดับให้นี่หลายคนสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติอะไรก็ไม่รู้ติดอันดับหนึ่งไปเสรแล้วเราไม่รู้เนาะนี่มีคนทั่วท่วไปจัดนาน หนึ่งสัตว์ตัจฉลพเทียนปีหน้าเนี่ยเริ่มตั้งแต่ปลายปีพิกกาธันวาไปอันนี้ก็รวมแล้วนี้ก็ประชุมกันมาหลายรอบแล้วใครเป็นคนเริ่มต้นไม่ใช่ลูกศิษย์หลวงพ่อเทียนเลยแต่นคนที่เขามีสติปัญญาเขาลู่รับรับ พวกเราเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเทียนกราบอยู่ทุกวันเราทำอะไรมาเขาไม่ได้เหมือนเราก็จัดยิ่งใหญ่ไปนม่ชื่อมาให้หลวงพ่อทราบอ่านโดเราไม่เขารู้จักเลยเนี่ยหลวงพ่อเทียนเป็นบุคคลสาธารณะเหมือนพุทธทาส ชาติการร้อยปีพุทธธาตุผ่านไปวันนี้หลวงพ่อเทียนมาถึงจัดขึ้นอีกเอาแต่งตั้งใหลายหลวงตาเป็นประธานที่ปรึกษาเนี่เราก็ไม่รู้เห็นเขาออกหนังสืออ่านเราใช่ไปเปิดวันกี่กาเนี่ยที่หอจดหมายพุทธธาตุที่ไหนก็ไม่รู้ ต้องกันหมดแล้วร้อยปีร้อยงานปีหน้าสนุกแล้วพวกเรานะเตรียมไว้พาไปอ๋ออันนี้มันเป็นไปได้ในยุคนี้สมัยนี้เต๋เจ๋อหลวงพ่เตรียนไม่ได้เกี่ยวกับกรรมฐ า, านวิพัฒนาล้วนล่วนสุขขาวิปัจโก ผูจเจริญวิปัสสนาล้วนเท่าถึงเี่ยนแท้ของศาสนาเนื้อการเกิดเจ็บตายเลยไม่ใช่เตยพิโยอพินโยอะไรไม่แท่สุขายปัจโกไม่ <c oughs> ต้องรู้หนังสือไม่ต้องอ่านหนะังสือเขียวหนังสือได้มาแต่ อ่านตัวเองนะ่อยมันหลงสัมผัสดูความหลงพ่อนดอกไหมนี่คือหลงนี่คือรูสัมผัสตัวไม่ใช่หลงไม่ใช่รูท่องแบบนั้นเป็นการสัมผัสภายในชีวิตนี่คือทุกนี่คือไม่ทุกนี่คือความโกรธนี่คือความไม่โกรธทุกพ่ออะไร ไมควบไม่เที่ยงเป็นทุกข์ในควบไม่เที่ยงไม่เป็นทุกข์ได้ไหมไหนควบไม่ทุกข์ไม่เป็นทุกข์ได้ไหมเคยทุกข์ตั้งเลยใจใจดูจ ร, จริงมันจริงไหมมันมีจริงไหมทุกข์เน่ความโกรธมีจริงไหนดูดีๆมันมีทางหลงตาไม่รู้จะพูดยังไงเลยพิกฝ่ามือให้ดูเนี่ยความโกรธมันลังมือความไม่โกรธมัน้ามือเนี่ย หาได้ในชีวิตเราเนี่ยไม่ต้องให้ใครช่วยคนช่วยไม่ได้คนอื่นช่วยไม่ได้เราต้องช่วยตัวเราบอาเราศึกษาก็เจอแล้วนี่เขาจริงนะจริงนี่ยตหน้าโตตาเจอจริงจริงเจอความคิดเจออะไรต่างๆมากนะในชีวิตของเราเนะ่จะให้ความหลง มีสารพัดเจอชิเลตตัณหาเจอความง่วงเหงาหอนหัวฟักหัอเปลี่ยนมานกันนะถือเจอความยากหรือความผิดผ่านมาอย่างโศกโศนเจอความทุกข์ยอดนักทุกข์ไม่ต้องมาขุยวดขวยทุกข์เนี่ยมีเท่าไหร่ในโลกเนี่ย หานได้มั้ยทานได้ไม่ต้องเคยทุกข์ต้ง้งเลยไม่ทุกข์อีกแล้วชาติแน่หอมป่านนั่นะสมนำหน้ามันยิ่งเรามาสาธิยายพระโสดพุทธโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นเบิกบานลวยทรรมใครจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นพุทธอยู่ที่ไหนนอกตัวโละ ถ้านอกตัวมันก็ใช่ไม่ได้ทุกโทรเรื่องของอะไรตื่นใครตื่นทำเพื่ออะไรเป็นน้อง ม, มาหาเราได้ไมาเป็นสิ่งที่ควรน้อง ม, มาใส่ตัวมาใช้ให้ใครทำด้วยตนเองสันทิตฐิโก เป็นสิ่งที่ทำด้วยตนเองมากาลิ่โกปฏิวัติได้ให้ผลได้ไม่จํากัดการหลงตอนเช้ารู้ตอนเช้าหลงเวลาไหนรู้เวลาวินาทีนี้มันหลงวินาทีไม่หลงมันหลงเรื่องอะไรมันเกิดขึ้นกับกายกับใจมันเกิดขึ้นตรงไหนรู้มันหมดแล้วก็มันก็ไม่รับไม่รีปัญหาต่างๆ เออขึ้นในกายในใจเราเนี่ยไม่รับไม่รี่โง่โง่ถ้าเป็นโยมก็ประโยมเจ้าสุกสนจับก็ได้ไม่ต้องไปตีปมวนเวลาวันก็นจับมันซุกสนตะกะตะการก้มหลงก็ตะกะตะกามพุทธมาเลยตองทุกข์ก็ตะกะตะกามถ้าเรามีดวงตาภายในดูจริงๆรเนาะ มั้นจะหัวรอดได้แล้วบ่เอ้ยบ่เอ้ยดา่าตนะัวเชงแ่นี้ก็หลงแค่เนี้ก็โกรธเลยเช่เนี้ก็ทุกข์เลยอยู่คนเดียวก็ทุกข์เลยนอนอยู่ทุกข์เพราะความคิดแล้วบ่เอ้ยเวลานี่นอนหาเรื่องมาคิดคิดก็มาทุกขนะ์เลยบ่เอ้ยแค่เนี้ยติดนิ้วหัวเลย ไม่ไหวไม่ไหวไม่ต้องพูดคำนื่อป้าสาไทยเขาว่าไม่ไหวไม่ต้องพูดนะอ้แย่แย่แย่แล้วแย่ yeah, แล้วไม่ต้องพูดนะไม่มีลบบอกภาษาไทยเขาว่าไม่ไหวคือการทําความดีถ้ายกของหนักไม่ไหวเพราะพอได้อยู่ถ้าเอาถือว่าทุกว่าอะไรต่างๆเกิดเกี่ยวกับชีวิตเราเนี่ย ที่ให้เป็นทุกข์เป็นโทษถ้าไม่ไหวไมันเป็นโทษอนะ่ะไม่ต้องว่ามองอะไรลาบลื่นในโลกนะไม่ใช่ขุขะในความเป็นธรรมทุกอย่างในโลกเนยะไม่มีเลยเพี้ยนไปเลย เราจัดไม้ทำลายป่าโรคทำลายโลกโลกร้อนเป็นธรรมแล้วเกิดแผ่นดินไหวเป็นธรรมแล้วเกิดพายุฝนตกหนักแผ่นดินชุบเป็นธรรมแล้วไม่ใช่ไม่เป็นธรรม โอเ้เขาไฟแล้วเบิด <c oughs> เป็นทําแล้วเีา <c> ฝ <oughs> มือคนดองตาไปดูโลกที่สารดเอาฉายแผนหนังโลกให้ดูน่าสงสารสงสารโลกไปแนวบางส่วนก็แตกแล้วไปแนวบิ่ออกงันบิ่ไปบางแล้ว พอมันบีตรงไหนก็แผ่นดินไหวเหมือนกัเหมือนกับน้ำเราน้ำอยู่ในโอง่งน้ำอยู่ในถังเราเอาน้ําออ ก, ม, ออกมันก็ไหลทับเข้าไปหาที่เก่ามันถมว่าไม่เคยมีน้ามัมนหลุมเป็นบุมเป็นอะไรหลุมในน้ำไหมไ ม, ม่โลกนี่ก็เหมือนกันมัน จอดเข้ากันเวลามันแหงกับจอดเข้ากันถ้าแหงมากก็จอดดักหมวยไปทั่วโลกน่า <c oughs> เรือนพังแบบฝีมือของคนธรรมชาติมันปรับไม่มีใครช่วยบรรณ า, าอาชมุดมันปรับขึ้นยักษ์มันปรับเพื่อมันอยู่โลดถ้าไม่ปรับมันอยู่ไว้โลดโลกเนี่ย มันปรับเข้ากันแต่มันปรับที่หนึ่งก็พุ่มตายไปชิบหายวายวอดไปหล้งตากไปดูร่องรอยของคลื่นยักษ์สีดามิที่ภาคใต้เรือหลอมเท้าบ้านเนี่ยตกน้มซัดไปเป็นกิโลมีอะไรติดแรงขนาดนั้นไม่มี ั้ามันใหญ่ถ้ามันปรับมันจะพังไรหมดนะในในในแผนในในในแผนที่โลกเขาว่ามีชัยภูมิเนี่ยปลอดภัยที่สุด <laughs> มาอยู่สุกโตนะมาอยู่นี่ปลอดภัยที่สุดสิ่งไม่ค่อยปลอดภัย้ว นั่นนี่ก่อนที่จะถึงวันนั้นทํางไงเราสนุกนะสนุกให้แผ่นดินทับสนุกไม่ตายเพราะแผ่นดินทับเราอยู่ของเราเองไม่เจ็บเพราะความเก็บไม่ตายเพราะความตายไม่ทุกข์เพราะความทุกข์นี่ยโลกอ่ะโลกของเรามันร้ายขนาดไหนเราอยู่ในนี้ ไม่เคยกลัวจะเป็นเรื่องสนุกรวยสนุกป่วยสนุกเก็บสนุกตายต่ว่ายังไงเป็นเพี้ยนไปเลยเนะี่ยไม่เพี้ยนยังมีจิติอยู่ไม่ได้ทุกข์เพราะความเก็บความป่วยไม่ได้ทุกข์ความตายนะไม่มีวิธีอื่นใดนอกจาก ธรรมะคำสอนพระเจ้าเนี่ยแหละที่เป็นศาสตร์เป็นศิลป์ใช้ได้จริงจริงเอามาใช้ได้จริงๆงอย่างที่ยาทุกวันเนี่ยศายสตร์ศิลป์โบราณตาตะขาบกัดถองมีพิษงูกัดเอา พยาลากดำลากยาลากดำฝนเชยน้ามะนาวมาทาปากแขกของโศกัดมันจะโดดพิษเลยเอามาเยเอาไปทาบาดแขกของพิษงูเขียวหางไหมกาดมือมันบวมปัม้นดำหมดมือมันจะเปื่อยปวดก็ปวด เอาอันนี้ไปทาวดูสอง บ, บ, บุ่มบุ่มบุ่มอันนี้เห็นมาไม่ใช่จำมาจำมาแล้วมาทำโด่นานมาแล้วรอกระทงเด็กแปลวโดบัวกลงคืนที่จะตะขาบมันกัดร้องไห้แล้วแม่อุ้มมาหา มันบอกว่าพาไปหาหลวงตาพาหาหลวงตาแต่ก่อนไม่มีอำนาจใหม่นิยาบรองพอ่อโอ้ยมีเหรอวะไปขุดเอาต้นนี่วะต้นนิยาลาดตาก็อยู่ใกล้ๆฉลาปูขอยทองขุดเอาวอดีไปก่อหน้า ม, มานาวเขาก็มีมานาวมาขอล่าดีมาฝนฝน พอมันเป็นตมเราก็มาทำความฉาดแผลมันทาล้างแวงโอทาปับล่องอ้ยล่องแรงลันไปเลยปอมันล่องทีเดียวมันหยุดเอาหยังมาท่าน่ะเออเออเนั้นแล้วเอานันแ้เอานั่นเอาเอาหยั่งมาท่ามันห่มันโดดตึ๊บมันล่องนะปอมันพูดเอายังมาท่ คอยเราอยังไม่ทันคอยเด็กน่อยเออฝนนีก็เอามา่อีกแน่เอามาใช่อีกแน่สิฝนีกม่ทัเออนั่นแหะสิร้าหรอเศ้าหรอเศร้าหรออ้นี่ก็รอนนะหนาคาบจะร้องให้นะแล้วจากบพญาลากดำมักไสเด่นถ้าจาปานหงก็จะหน้ามะนาวก็เห็นคุณค่าเนี่ย เดี๋ยวนี้มานาววัดเราปลูกไม่ค่อยขึ้นมีไหมปลูกไว้กติจิตสี่จุดห้าหนอาจารย์ทุกวัามีอยู่น ะ, ะแล้วก็เอามาปลูกไว้นั่นไม่ค่อยได้รูเลนะซื้อมาต้นละร้อยห้าสิบบาทไปปลูกซื้ออสปนจิตวจักกะเบียดกันไปอ่านหนังสือพิมพ์เห็นคุณค่าของมะนาวเรวมาปลูกไวเ้เพื่อไม่มันเพื่อไม่ให้มัน กิบหายให้มันเหลืออยู่บ้างะตะคาบกัดลวกนี้นะตาคาบจอกนะอเ <c oughs> เอามานะาวมาฝนพยาลาดำเต็มไปหมดเนี่ยศาสตร์ของคนโบราณนะใครบอกโบราณบอกใช้ได้จริงจริงใช้ได้จริงๆอย่าอย่าให้ไม่ใส่ใจนะร้องศึกษาดูวลไรที่เป็นประโยชน์ ไม่ใช่เรา อ, อยู่คนเดียวโดยใช้ได้บางโอกาสนะทำมาก็เหมือนกันงั้นเรามีห่อข้าวเราไม่กินก็ไม่เป็นไรเอาไปคนอื่นกินนีสติสอนเขาได้วนรู้บางทีเราห่อข้าวเขาทําเขาลูกเขาจอนลูกของเขาได้ประโยชน์ไม่ใช่ว่าไม่ได้บรรลุธรรมแล้วไม่ได้สอนไม่ใช่ บอกไปสอนไปชวนดูบ้างชวนทำบ้างง่ายเป็นมิตรผูกมิตรผูกเพื่อนมองเพื่อนพองมิตรอย่าทำให้กันเดือดร้อนช่วยเหลือให้ความคิดให้โอกาสปรึกษาหารือช่วยกันในด้านจิตใจเป็นเพื่อนด้านจิตใจ อย่าปล่อกันทิ้งทิ้งหลอมมาปฏิบัติธรรมเนี่ยกลเปนกรอบเป็นคำจริงๆ <c oughs> ไม่ใช่หลันมีสติมันก็มีจริงๆมันก็มีสติก็ไม่มีความหลงถ้าเวลาใจบันหลงมีสติความหลงก็หมดไปจริงๆมาดไปอย่างเนี้สอนเพลงอย่างเนี้ มันมีไหมความหลงอ่ะมันต้องมีนลหนึ่งเราเปลี่ยนหลงเป็นรู้กี่ครั้งมันจะํำนานไปมันลึกหลงความรู้ลึกลงลึกลงลึกลงเหมือนต้นไม้ที่อย่างลากลงต้นไม้ต้นปีลากพอใหญ่แล้วลึกแล้วสมควรออกดอกออกผลก็เกิดดอกเกิดผลได้แต่ต้นไม้ที่เราปลูกไว้ โตวันโตคืนได้ยังไม่ปลูกอะไรเขาไม่มีอะไรโตขึ้นมาปลูกสติมันก็โตขึ้นมาปลูกฉิ่นปลูกธรรมก็โตขึ้นมาปลูกเบตาคุณาโตขึ้นมามากเราได้ใช่เป็นสมบัติของเราเป็นอริยภาพของเรานะนี่คือมันมีอย่างนี้ ของเท็ของจริงไม่อย่างนี้อย่าไปโทษอะไรเป็นธรรมแล้วในโลกเนี่ยเราหลงเราจังโกรธเราหลงจังทุกข์เร า, า, าไปโทษคนอื่นคนอื่นทําไมโกรธใครทําให้โกรธไม่มีทางถ้าเราไม่โกรธถ้าเราไม่หลงแล้วโดยมันเลยโลกเนี่ยไม่ต้องกลัวอะไรเราทำไมเราโกรธเรายังโกรธไม่ใช่อนนั้นมัน เที่ยนบบโนโกรดก่อนเป็นบาปกะบุงหนึ่งโนโกรดทีหลังเป็นบาปสองกระบุงโง่กว่าเขาอีกเขาโกรดเขาก็ง่แล้วโกรดตามเขาอีกง่สองเท่าของเขาเราจึงเห็นจริงจังเป็นรถยังไงฮะแล้วก็ ให้ใส่ใจอย่าปล่อยวันเวลาที่งไปให้ชิดการดูแลการช่วยเหลือกันพออยู่กันได้เ <c> น <oughs> ีอาจารย์กรรมฐานดูแลอยู่น้องตาก็อาศัยหมูอ า, หมอาศัยมิตรเวลานี้ทําอะไรก็ได้เนาะไปก็ไปนั่งนั่งนอนนอนก็ยังไป ไม่อายแต่มีคำพูดได้พูดได้ไม่มากต่อไปพวกนี้อาจจะไ ป, ไปขอนเพียนอีกไปบ่ <c oughs> สองคนจวลาวันในกับปพร้อมกัน